เจริญไปถึงบ้านโยมบิดาในตลาดเมื่อเวลาสิบนาฬิกาโยมยายไม่ได้เจ็บไข้ยอย่างที่ท่านกังวลครั้นเห็นพระหลานชายก็ยินดีปรีดาแม่จูนเองก็ดูแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อมาอยู่ร่วมบ้านกับมารดาได้สนทนธรรมกันทุกวันทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานส่งผลให้สุขภาพกาย พลอยดีตามไปด้วยเรื่องที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นคือนางสาวจำแลงเลิกเล่าได้แล้วโยมใหญ่เล่าให้ท่านฟังว่ามันมีคู่รักเขาบอกถ้ามันเลิกเหล่าได้ก็จะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่มันก็เลิกมาได้เดือนหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ทันไปอยู่บางกอกนั้นและพระหนุ่มจึงพูดกับพี่สาวว่าอาตมาขออนุโมทนานับเป็นบุญวาสนาของโยมพี่ที่เลิกเสียได้ท่านนึกถึงนางเหรียญรู้สึกสงสารโยมป้าที่ต้องตกเป็นทาสของสุราจนกระทั่งสิ้นชีวิตแล้วนี่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 ถึงอาตมาจะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็มั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นคนดีเขาต้องเป็นคนดีเพราะทำให้โยมพี่เลิกเล่าได้ดีจัดท่านเข้าคยมาที่บ้านมาขอให้โยมแม่ช่วยกวดขันท่านยนังจําแลงเลิกเล่าได้ครบสามเดือนเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ นี่ก็ยังเหลืออีกสองเดือนนั่งจำแรงมันใจเด็ดจะ้ะไม่เคยดื่มอีกเลยโยมพ่อก็โล่งใจที่มันเลิกเสียได้ไม่จวนรายงานให้พระลูกชายฟังแล้วนี่โยมพ่อไปไหนลจะจ้ะท่านถามถึงทิศพองไปเผาศพที่อ่างทองจะ้ะลุงบุญช่วยเศรษฐีขี้เหนียวตายแล้ว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 แกก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดไม่อยากได้ของของคนอื่นแกมักสอนท่านว่าไอ้โนเชื่อลุงเถอะบุญทานไม่ต้องไปทำมันหรอกเส้นเปลื้องเปล่าๆการทำบุญบริจาคทานทำให้ร่ำรวยนะครับลุงยายบอกพระท่านสอนขนาดยายขี้เหนียวก็ยังชอบทำบุญเด็กชายแกล้ง ลุงไม่เชื่อหรอกดูยังลุงไม่เคยทําบุญแต่ทําไมถึงมีเงินทองมากมายคนที่ชอบทําบุญซะอีกกลับจนลงจนลงลุงสอนลูกๆไว้เลยว่าไม่ต้องไปทําบุญขอให้ขยันทำมาหากินก่อรวยได้ลุงไม่เคยให้เงินขอทานเลยหรือครับไม่เคยเวลามีขอทานเข้ามาในบ้าน ลุงก็จะให้ลูกๆช่วยกันไล่แล้วถ้าเขาไม่ไปล่ะครับลุงก็ให้ลูกเอาไม้ไล่เตะลูกๆเชื่อฟังลุง ก, กันทุกคนพอขอทานมาก็ช่วยกันขับไล่ออกไปไม่แต่ขอทานเท่านั้นนะถึงพวกที่มาเรียอะไรลุงก็ไม่เคยให้คืนใหนไปสักครั้งเดี๋ยวก็มารบกวนไม่รู้จักจบจักสิน้น นายบุญช่วยปักใจเชื่ออย่างนี้หลุงพี่ว่าลุงบุญช่วยแกจะไปเกิดที่ไหนจ๊ะคนกำลังมีความรักถามพระน้องชายอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันตามคำพีพระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัดไว้ว่า บุคคลที่ตรนีเหนียวแน่นไม่บริจาคทานหากเขาตายไปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะเป็นคนยากจนขัดสนว่าแต่ว่าแกเป็นอะไรตายล่ะโยมพี่เห็นพ่อว่าแกเป็นโรคฝีในท้องจะ้ะเอ๊นี่ก็จวนเพงแล้วนี่มนหลวงพี่ชันเพงที่นี่นะฉันจะได้ไปเตรียมจัดสำรับกับข้าว แล้วแต่โยมพี่เถออาตมายังไงก็ได้จะชั้นที่นี่หรือกลับไปชั้นที่วัดก็ได้ท่านฉั้นที่นี่แหละโยมขอนิมนต์นึกว่ามาโปรโดโยมถึงบ้านก็แล้วกันถึงจะไปวัดไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังได้ทาบุญทําทาน จำแรงเอิงไปเตรียมเพนได้แล้วผู้บรรยายสั่งหลานสาวนางสาวจำแลงลุกออกไปแล้วพระเจริญคงนั่งคุยกับโยมยายและโยมมารดาท่านคิดไปถึงนายบุญช่วยนึกเห็นภาพลูกลูกของแกที่ช่วยกันผลักใส่ไล่ส่งขอทานที่บังเอิญพลัดเข้าไปในบ้านของแก แล้วเลยนึกไปถึงตาป่วนกับยายผันขอทานสองผัวเมียที่เคยมาขอที่บ้านโยมยายบ่อยครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กไว้ผมแกละวันหนึ่งที่บ้านโยมยายมีงานเทศมหาชาติสองผัวเมียก็มาขอทานโยมยายใช้ท่านนำข้าวสารสองธนานกับเงินอีกหนึ่งสลึงไปให้ท่านรู้สึกแปลกใจจึงถามว่า ยายทำไมวันนี้ให้ขอทานมากเป็นพิเศษทุกทีผมเห็นให้ข้าวหนึ่งทนานกับเงินห้าสตางค์วันนี้ให้ตั้งสลึงหนึ่งสงสัยฝนจะตกก็วันนี้บ้านเรามีเทศมหาชาติได้ทำบุญแล้วก็ได้ทำทานด้วยจึงต้องให้มากหน่อยเอ็งอย่าพูดมากนักเลยไอ้หนู หลานถูกยายว่าเมื่อท่านนำข้อสารกับเงินไปให้ตาป่วนกับยายพันก็ยังไม่ยอมไปท่านจึงบอกว่าลุงทำไมถึงยังไม่ไปละ่ะไปขอบ้านอื่นต่อสิตาป่วนตอบว่าลุงยังไม่ไปหรอกไอ้หนูลุงขอฟังเทศให้จบก่อนขอลุงฟังเทศด้วยคนนะแล้วแกกับเมียก็นั่งฟังเทศ อย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อพระเทศจบก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วจึงพากันไปโยมยายจำตะป่วนกับยายพันได้ไหมจ๊ะที่เคยมาขอทานสมัยโยมยายยังอยู่บางม่วงมูท่านถามโยมยายจำได้สิทันแกอยู่บ้านไผขวางโนน เป็นคนใจบุญใจกุศลทั้งผัวทั้งเมียขอฐานเข้าได้ก็นำไปทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลูกดูเหมือนแกมีลูกหาคนท่านก็รู้จักไม่ใช่หรือจะ๊ะอาตมายังเคยตามไปดูบ้านแก และรู้จักลูกแกด้วยพระเจริญตอบแม่จวนจึงพูดขึ้นบ้างว่าแกเป็นคนดีนะแม่ชอบช่วยเหลือเผื่อแพ่ไม่มีเงินก็เอาแรงงานเข้าช่วยทุกครั้งที่วัดศรัทธาพิรมีงานตาป่วนจะมาช่วยตักน้ำยายผันช่วยล้างจานแม่จะเป็นขอทานแต่ก็มีจิตใจดี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 ความที่พ่อแม่เป็นคนดีเลยส่งกุศลไปถึงลูกห ล, ลูกแกเรียนเก่งแล้วก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรียนสูงๆพอจบออกไปก็ได้งานดีๆทำทรงเงินมาให้พ่อแม่ตาปวนกับยายผัน ก็เลือขอฐานเขากินเพราะลูกๆที่ไปทำงานบางกอกส่งเงินมาให้ทุกเดือนมารดาของแม่จวนพูดถึงคุณความดีของขอทานคู่นั้นตาปวนตายไปก่อนหน้าอาตมาจะบวชไม่กี่วันอาตมายังไปเผาศพส่วนยายผันนั้นลูกๆมารับไปอยู่บางกอกด้วยพระหนุ่มว่า แม่ว่าปานีตาปวนกับนายบุญช่วยจะไปเกิดที่ไหนจ้ะแม่จวนถามมารดาหากจะให้พยาก่อนข้าคิดว่าถ้าสองคนนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ตาปวนต้องเกิดเป็นเศรษฐีส่วนนายบุญช่วยต้องเป็นขอทานหรือทันว่ายังไง ย่อมจางถามพระหลานชายพระหนุ่มจึงถือโอกาสเทศนอกธรรมาธาด้วยการยกพระบาลีมากล่าวความว่าจิตเตสังกิริเถ ท, ทุกขติปาติ ก, กังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังหากสองคนนี้ตายในขณะที่จิตกำลังเศร้ามองก็ต้องไปเกิดในทุกขติ ซึ่งมีสี่ภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ถ้าเขาตายขณะจิตพองใสก็จะไปเกิดในสุขติเช่นมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นดังพระบาลีว่าจิตเตะสังกิลิเถสุขติปาติกังขาพูดง่ายๆคือ มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบจิตถ้าก่อนตายเขานึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำจิตก็จะเศร้าหมองแต่ถ้านึกถึงกุศลกรรมจิตจะผ่องใสสมมุติว่าสองคนนี้จิตผ่องใสทั้งคู่ทำให้ไปเกิดในสุขติเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะไม่เท่าเทียมกัน เพ ร, ะเพราะทำกรรมมาต่างกันลุงบุญช่วยจะไปเกิดในตระกูลยากจนขัดสนขณะที่ตับปวนไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยภิกษุหนุ่มพยากรณ์ตามคำพีก็แปลว่าเศรษฐีไปเกิดเป็นขอทานส่วนขอทานกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีอย่างนั้นหรือจ๊ะแม่จวนถามพระลูกชาย ถูกแล้วจ้ะเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมทั้งทั้งที่โยมยายคอยอบรมสั่งสอนทุกวันพอมาบวชมาปฏิบัติธรรมถึงได้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็ระลึกนึกถึงกรรมที่อาตมาทำไว้เมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะมาให้ผลแต่อาตมาก็ตั้งใจแล้วว่าจะยอมรับทุกกรณี จะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาท่านรู้สึกสลดใจเมื่อ น, นึกถึงการกระทำในครั้งอดีตอย่าไปคิดถึงอดีตให้ใจเสราหมองเลยทันถึงยังไงมันก็ผ่านพ้นไปแล้วหน้าที่ของเราคือต้องชดใช้กรรมเก่าต้องชดใช้ ก็ใหม่อย่าไปสางเหมือนเราไปเป็นหนี้เขามาหน้าที่ของเราคือต้องใช้คืนเขาแล้วก็อย่าไปสางหนี้ึ้นมาใหม่ทำอย่างนี้ไม่ช้าก็จะหมดหนี้หมดสินเป็นไถ่แกตัวโยมยายพูดให้สติ วันเดียวกันนายหล่อมาหาหลวงพี่ถึงกุฏิที่พักดูเขาดีใจนักที่ท่านกลับมาหลวงพี่เรียนจบแล้วหรือครับก้นหนว่าหลักสูตรตั้งหกเดือนหรือว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนเวลาที่กําหนดเขาตั้งคําถามเปล่าหรอกยังค่านอะหรือจเรียนจบก่อนกําหนดเมินสัจฉาติหนึ่งท่านตอบตามจริง แล้วทำไมถึงกลับมาล่ะครับหรือว่ามันยากจนเรียนไม่ไหวชายหนุ่มอยากรู้จะว่ายากก็ยากนะแต่ไม่ถึงกับจะเรียนไม่ไหวหรอกที่ข้าต้องกลับมาเพราะโยมแม่เนนทองดีเขาป่วยโยมพ่อมีหนังสือไปบอกให้กลับข้าก็เลยต้องมาส่งท่านมีได้เล่าดอกว่าเนนทองดีเรียนจบหลักสูตรแล้ว ขืนเล่าไปตัวท่านจะต้องอับอายขายหน้าในหลองั้นก็แปลว่าลุงพี่ต้องกลับไปเรียนต่อให้จบแล้วเนรทองดีก็ต้องไปอีกใช่ไหมครับชายหนุ่มซักค่อนข้างละเอียดอาจารย์ค่าสั่งมาว่าให้ค่ากลับไปคนเดียวส่วนเนรทองดีไม่ต้องไปแล้วถ้าเองจะถามอีกว่าทำไมถึงไม่ให้เนรทองดีไป ก็ขอให้ไปถามอาจารย์ข้าเอาเองท่านอยู่วัดมหาธาตุบางกอกโน่นพระหนุ่มหาทางป้องกันไม่ให้ในหล่อซักถามมากไปกว่านี้ผมคงไม่ลงทุนถึงปานนั้นหรอกครับว่าแต่ว่าลุงพี่จะกลับเมื่อไรครับหากไม่รีบนักผมอยากนิมนต์ให้อยู่ก่อนเดือนหน้าผมจะแต่งงานครับเขาบอกเหตุผล ข้าต้องปรึกษาสมภารก่อนถ้าท่านอนุญาตก็อยู่ได้ก็รับแล้วผมจะช่วยพูดกับหลวงพ่อช่อท่านให้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะรบกวนหลวงพี่คือแม่นวลว่าที่แม่ย้ายผมแกขอให้ผมช่วยไปส่งข่าวเรื่องการแต่งงานให้ญาติพี่น้องของแกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะได้เตรียมมาช่วยงานผมก็เลยอยากจะขอความกรุณาหลวงพี่ ช่วไปเป็นเพื่อนผมหน่อยพูดอย่างเกรงใจชวนคนอื่นไม่ดีหรือข้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องทางโลกพระหนุ่มพูดออกตัวแม้ลงพี่แล้วก็ผมไม่ใช่จะให้ลงพี่ศึกออกมาแต่งงานสักหน่อยเพียงแต่อยากจะนิมนต์ไปเป็นเพื่อนเพื่อให้อุ่นใจเกิดถูกผีหลอกกลางทางลงพี่จะได้ช่วยไล่ผี ก็หลวงพี่มีคาถาดีขนาดพีแขกก็ยังสยบให้มาแล้วเกิดไปเจอผีพมา่าหลวงพี่ก็จะได้ช่วยปราบให้อีกในหล่อสาทยายอำเภอแม่สอดติดกับเขตแดนประเทศพมา่าจึงมีการติดต่อค้าขายกันตามชายแดนเองเห็นข้าเป็นพระกันผีไปแล้วรึไงท่านนึกขำทั้งกันทั้งปราบเลยแหละครับนะหลวงพี่นะ ช่วยเ ป, เป็นเพื่อนผมหน่อยนี่ผมให้เกียรติลงพี่นะครับคนอื่นๆมาขอไปด้วยผมยังไม่อนุญาตคราวนี้เขาพูดเอาบุญเอาคุณเพราะเขาช่วยกันผีให้เองไม่ได้ใช่ไหมละ่ะพระหนุ่มรู้ทันนายหล่อเลยได้แต่หัวเราะแหะๆแล้วตอบว่าก็คงจะอย่างนั้นแหละตกลงว่าลงพี่ยอมไปกับผมแล้วใช่ไหมครับ เขาถามอีกไปก็ได้ข้าเองก็ยังไม่เคยไปแม่สอดว่าแต่ว่าจะไปกันเมื่อไรละ่ะมรุณิกครับผมจะมารับลุงพี่ตอนตีสี่จะเตรียมสเสบียงไว้เสร็จสับทั้งเช้าและเพงเรื่องการขบชันของลุงพี่อย่าได้ห่วงหรือถ้าอยากจะฉันมื้อเย็นอย่างผมก็ยังได้รับรองว่าผมจะปิดเป็นความลับเขาล้อเลียน ทันลึกละนั่นเองข้าไม่ได้เป็นพระบางกอกนี่จะได้ฉันข้าวค่ำตอนที่ข้าไปเรียนบางกอกน่ะเพื่อนข้ามันอาศัยวัดอยู่ข้าไปเยี่ยมมันบ่อยๆแล้วข้าก็เห็นพระบางกอกท่านฉันข้าวค่ำกันหลายองค์ตอนเย็นก็เตะตะกร้อกันเป็นที่ครื้นเครงข้าเลยไม่นับถือพระแถมยังแอบค่อนในใจว่าถ้าแบบนี้อ้วดีกว่าหรืออีก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 จะได้ช่วยกันแก้ไขท่านแนะนำผมกะจะเอาไอ้กล้วยลูกนาชายไปเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนายหล่อบอกดีตกลงวันมรืนเองมารับข้านะเดี๋ยวข้าส่งน้ำเสร็จจะไปเรียนขออนุญาตจากสมภารเองไปเรียนท่านไว้ก่อนก็แล้วกัน ถึงวันนัดพระเจริญตื่นนอนตั้งแต่ตีสามท่านส่งน้ำและนุ่งห่มกาสาวะพัดอย่างเรียบร้อยเวลาที่เหลือท่านสวดมนต์ธราวัดเช้าและจึงเดินจงกรมเริ่มด้วยการกำหนดยืนหนอห้าครั้งแล้วจึงเดินระยะที่หนึ่งเสียงลมพัดดังวีดวิวเข้ามาทางหน้าต่างและช่องลมฟังดูประหลาด เหมือนเสียงร้องคร่ำครวนอยู่ไกลๆของใครคนหนึ่งไม่อยากจะคิดว่านั่นเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาทวงหนี้ท่านคิดใจหนึ่งรู้สึกหวนหวาดหากอีกใจก็คานว่าไม่ต้องกลัวจงใช้หนี้เข้าไปอย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาคิดได้ดังนี้ จงเดินจงกรมต่ อ, อยังตั้งอกตั้งใจไม่ใส่ใจกับเสียงหวิดวิวของลมที่กระพือพัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจ ะ, ะเผชิญกับมันอย่างทนงององอาจแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอม